ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายมงคลชีวิตในข้อต่อไปวันก่อนนั้นได้พูดมาในข้อที่เรียกว่าปุสจันจะสิปัญจะคือการได้ศึกษาการได้สะดับสับฝังมากการฉลาดในศินลปะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องเลี้ยงชีวิตแต่และข้อนั้นทรงแสดงว่า เป็นอุดมมงคลแต่รับประการก็ต่อไปก็คือวินโยจะสุสิกิโตได้แก่ความเป็นผู้มีมีวินัยอันศึกษาสำเนียกดีแล้ววินัยนั้นในความหมายที่เป็นศัพท์ทางภาษาบาลีท่านแปลว่าที่ได้ชื่อว่าวินัยเพราะมีนิยยะพิเศษมีนยยะต่างๆเพราะฝึกกายและฝึกวาจา ดังนั้นวินัยจึงหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่กําหนดกันขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของคนที่อยู่ร่วมกันให้ให้ปฏิบัติตามกติกากฎเกณฑ์เหล่านั้นในทางพระพุทธศาสนาเราได้แสดงวินัยไว้เป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกก็คืออาคารยาวินยัยที่เรียกว่าวินัยของผู้ครองเรือนได้แก่ชาวบ้านทั่วไป พระเจ้า ก, ก็ทรงบัญญัติวินัยไว้ในระดับหนึ่งเพื่อให้บุคคลแต่ละคนได้มีหลักในการควบคุมตัวเองในเชิงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่นักเพราะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ก็หมายความว่าถ้าใครก็ตามสามารถรักษาปฏิบัติตามวินัยเหล่านี้ได้ ก็จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นภายในสังคมได้อย่างปกติสุขยิ่งขึ้นไปกว่านั้นสามารถปฏิบัติประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมได้อีกด้วยโดยพื้นฐานจริงๆก็คือศีลทั้งห้าประการในระดับที่สูงขึ้นไปหน่อยก็คือกุศลกรรมบท10 ป, ประการที่ได้กล่าวไว้ในตอนอนื่นๆแล้วแต่ถ้ า, าว่าบุคคล น, นั้นมี ฐานะของการปฏิบัติที่สูงขึ้นแท้จริงแล้วถ้าเราดูดูตัวเลขคล้ายๆจะมากแต่มองในแนวของการปฏิบัติแล้วนั้นก็คือการปรับตัวเองขึ้นไปเท่านั้นเจตว่าการประกอบอาชีพของบุคคลทั้งหลายในฐานะของผู้ครองเรือนก็ต้องประกอบอาชีพแต่ว่าอาชีพบางอย่างที่เป็นสื่อหรือเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนการประทุษร้ายกัน ็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำสิ่งนั้นจนาการค้าขายสัตว์เพื่อทำเป็นอาหารค้าขายสตราวุธค้าขายยาพิษค้าขายคนเพื่อใช้ไปเป็นทาสเป็นต้นรือแม้ในปัจจุบันนี้จะไม่มีลักษณะของทาสเช่นในสมัยโบราณแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็มีการค้าขายทาสกันอยู่ทั้งระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศคนที่ มีวินัยที่ศึกษาสำเนียกดีแล้วจะต้องมองเห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นและกงดเบ้นไม่กระทำเช่นนั้นในข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าการปฏิบัติเบื้องต้นจะมีลักษณะเป็นวินัยคือกติกากฎเกณฑ์จะต้องบังคับจะต้องชี้แนะจะต้องมีการลงโทษเพื่อกัก锢 ค, ความระพฤติของคนให้เดินไปได้แต่พอเดินไปเดินไปแล้วจะมีเป็นธรรมะ พอเป็นธรรมะและธรรมะนั้นจะมาคุ้มครองวินัยเองวินัยไม่ต้องนับข้อแล้วทีหลังเ็าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเองอย่างที่เคยกล่าวไว้ในตอนที่ว่าด้วยกุศลกบฏซึ่งเป็นวินัยของชาวบ้านประการหนึ่งพอเรามาถึงจุดของความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วอีกเก้าข้อนั้นไม่ต้องนับก็ได้ก็จะเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติดังนั้นฐานของวินัยจึงถือว่าเป็นฐานเบื้องต้น แต่ก็เป็นฐานที่ออกเกยุระยากในการควบคุมอาการทางกายทางวิชาของคนตัวการที่จะให้เกิดผลในทางประพฤติปฏิบัติบุคคลจะต้องมองเห็นโทษของการละเมิดกฎเกณฑ์แบบแผนเหล่านั้นและจะต้องมองเห็นคุณความดีของการประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนในตามระเบียบวินัยเหล่านั้นแล้วต่อไปก็จะเดินหน้าได้ แม้จะมีนัยยะต่างๆกําหนดไว้เป็นมากมายอย่างไรก็ตามวินัยของชาวบ้านก็เดินมาเรื่อยๆก็เรียกขีหิวินัยนะฮะวินัยเรียก2ออย่างอย่างหนึ่งว่าวินัยของผู้ครองเรือนเรียกอาคาริยาวินัยอย่างหนึ่งเรียกขีหิวินัยความหมายก็คือกันขีวินัยนั้นวินัยของคือหัดก็คือคือหัดก็แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ครองเรือนอาคาริยาวินัยแปลว่าอะไรก็วินัยของผู้ครองเรือนเหมือนกัน จนในที่สุดก็มุ่งแก้ที่ปัจเจกนชนไปก่อนคือแก้ที่บุคคลแต่ละคนไปก่อนพยายามควบคุมบุคคลแต่ละคนนั้นให้อยู่ในระเบียบวินยัยจนมีวินัยในตัวเองซึ่งหลักการเหล่านี้ถ้าเรามองดูคนรุ่นปู่ย่าตายายของเราคือมาเองอยังยังมองคนรุ่นปู่ย่าตายายด้วยความชื่นชม ความเคารพนับถือในแนวความคิดของท่านที่จะพยายามควบคุมบุคคลทั้งหลายซึ่งอยู่ร่วมกันให้อยู่ในกฎเกณฑ์แบบแผนโดยอาศัยพื้นฐานส่วนลึกของใจคนได้แก่ความกลัวนะฮะเป็นฐานในการควบคุมคนถ้าลองสังเกตจะพบ ว, ว่าพวกนิทานเรื่องราวต่างๆที่คนรุ่นก่อนท่านเล่าไว้นั้นจะมีลันะกษณะก่อให้เกิดความกลัว เป็นการกำรับเอาไว้ในระยะหนึ่งแต่ปัจจุบันทางจิตวิทยาก็ถือว่าเป็นการกดอารมณ์ของเด็กเอาไว้บางงันก็พยายามไม่สอนให้เด็กกลัวเมื่อเมื่อไม่สอนให้กลัวแต่เราก็ไม่ให้หลักอย่างอื่นแก่แกในสุดแก่ก็เตลดเิดเปิดเปลงไปไปใหญ่เลยไม่กลัวอะไรไปเลยพ่อแม่กดเกณฑ์ระเบียบแปรแผนต่างๆแกก็ไม่กลัวแต่ถ้าแนวของบบราณนั้นท่านใช้ของท่าน เราอาจจะมองในแนวของร่างร้านสมบัคิสร้างบ้านหรือบันไดสมัติขึ้นบ้านซึ่งก็ขาดไม่ได้แต่เช่นการที่ท่านสอนให้บุคคลมีความสํานึกว่าการกระทําของคนเราแต่ละคนนั้นตลอดระยะเวลาจะมีโยมมาบานมาคอยจดทําชั่วก็จดตรงหนังสุ น, นักทำดีก็จดตรงแผ่นทองก็ก่อให้เกิดความกลัวขึ้นมาทําให้บุคคลกลัวที่จะกระทําความชั่วแม้จะรับหลังคนอื่น เพกลัวชื่อจะไปอยู่ในแผ่นสุนัขแผ่นหนังสุนัขแต่พร้อมที่จะทําความดีแม้จะรับหลังคนอื่นเพราะมีความมั่นใจว่าชื่อของตัวคงไปอยู่บนแผ่นทองแล้วก็เดินขึ้นไปในแนวความคิดอันนี้เดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงก็มีเทวดาเป็นสักขีพยานมองเห็นการกระทําของเราอยู่หรือทั้งดีทั้ชั่วเพราะงั้นไอความคิดพื้นฐานของสังคมไทยที่คนแต่ก่อนท่านก็ไม่ค่อยจะ เรียนรู้อะไรมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีหลักในการคุ้มครองใจของท่านเจนเวลาแกทําความชั่วท่านบอกว่าอายผีสางเทวดาเขาแล้วก็ไม่ทําต่อหน้าคนก็ได้รับหลังคนก็ได้คือท่านก็ไม่ทําเวลาจะทําความดีท่านบอกว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นท่านก็ทําความดีได้ทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนแล้วก็จิตเหล่านี้มันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับปิดทองหลังองค์พระได้แล้วก็กลายเป็นฮิริโอตปะไปเอง พอเรียอตุตปะแล้วมันก็สร้างตึกเสร็จแล้วคือร่างร้านจะมีหรือไม่มีมันก็รื้อทิ้งไปได้แต่ตราบใดที่ตึกยังไม่เสร็จมันก็ต้องอาศัยร่างร้านไปก่อนปัจจุบันลักษณะทางความคิดเราไม่ได้พัฒนาจิตใจคนโดยอาศัยร่างร้านทางความคิดไปก่อนแล้วมุ่งที่จะไปลอกเรียนแนวความคิดของฝ ร, รัง่งจะต้องไม่ให้เด็กกลัวโดยเฉพาะทางจิตวิทยาทั้งหลายวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยานะั้นก็มีปัญหาอยู่มากเหมือนกัน ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติเราจะพบว่าปัจจุบันนั้นเราขาดแคลนในด้านวินยัยวินัยภายในตัวก็ไม่ค่อยมีวินัยภายในสังคมภายในครอบครัวนะฮะก็ไม่ค่อยมีแล้วเราก็เรียกร้องวินัยภายในชาติในเมื่อวินัยส่วนย่อยเราทําไม่ได้แล้วเราเรียกร้องวินัยส่วนใหญ่มันก็เป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นดัะนั้นหลักการเรื่องวินัยที่ศึกษาสําเนียกดีแล้วจึง เป็นเรื่องของมโนธรรมสํานึกที่จะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจคือบุคคลจะต้องมองเห็นโทษที่น่ากลัวอันเกิดขึ้นจากการกระทํำเช่นนั้นโทษเหล่านั้นในตอนแรกแน่นอนจะต้องอิงรูปธรรมคือจะไปนามมาทำกันล้วนๆภาษาธรรมะอยู่เรื่อยไม่ไดไ้ต้องภาษาคนไปด้วยภาษาธรรมดาๆเนี่ยเพื่อให้คนได้มีหลักยึดเหนี่ยวไปก่อนได้มีความมั่นคงในด้านจิตใจแล้วค่อยพูดในชั้นละเมีตะไมาขึ้นไป นี่คือหลักเกณฑ์ที่เป็นตัวการสําคัญในการสร้างวินัยขึ้นมาโดยมุ่งมุ่งฝึกปรือทางด้านกายทางด้านด้านปรจาของคนนะครวินัยก็มุ่งไปในสองด้านแต่นั้นเองแต่ว่าเนื่องจากอาการทางกายทางวรจาของคนก็เกิดจากความสํานึกคือเกิดจากความคิดจะก่อนจึงจ ะ, จะแสดงวินัยจึงต้องเกี่ยวข้องโดยเจตนาคือความจงใจของบุคคลอย่างพวกศีลทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่า ศีลตั้งห้าข้อนั้นในแง่ของบิณายเนื่องจากเป็นอาการทางกายกับทางวาจาดังกล่าวถ้าเราไม่แต่ต้องอาศัยใจคือถ้าไม่จงใจก็ไม่บาปอะไรเช่นเดินไปเหยียบสัตว์ตายก็ไม่เป็นปานาติบาต์หรือหยิบของเขาผิดไปก็ไม่เป็นอทินาทานหรือว่าพูดพั้งพูดพลาดไปก็ไม่ได้เป็นมุสาเป็นต้น แต่ตอนนี้ตอนนั้นหมายหมายความว่าจะต้องเป็นการพลังพลาดที่เราแก้ไขได้ไม่จะพลังพลาดไปแล้วตั้งหลายวันจกนึกออกอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการพลังพลาดเพราะว่าเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพูดของเรานั้นอาจจะเกิดขึ้นแล้วไดยทำไปต่นนั้นใจจึงมีส่วนในการกำหนดหรือการตรึกนึกการ คิดเสก่อนที่จะทำที่จะพูดใจะจะต้องยอมรับเงื่อนไขาทางพระวินยัยด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆในทางพระศาสนานั้นนอกจากจะจำแนกวินัยของผู้ครองเรือนแล้วยังจำแนกวินัยหลักเอาไว้ที่เรียกว่าอาคารระยะวินยัยคือวินัยของนักบวชวินัยของผู้ที่ไม่ครองเรือนและซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปวินัยสายนี้ก็จะมีเป็น4กลุ่มใหญ่ๆดกัน กลุ่มแรกก็เกี่ยวกับข้อบัญญัติต่างๆข้อบัญญัติทางประวีตในที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไป น, นั้นเป็นลักษณะการล้อมข้อมือหายแล้วก็คือปล่อยให้เรื่องราวต่ตางๆเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องราวเหล่านั้นมีเสียงครหานินทาตำหนิกันมากว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรที่พระจะไปกระทําเช่นนั้นและเสียงเหล่านั้นก็จะเข้ามาถึงพุทธสํานักพระพุทธเจ้าก็จะประชุมสงฆ์แล้วก็เรียกท่านเหล่านั้นเข้ามา สอบถามทราบความซึ่งก็ดีนะฮะแต่สมัยนั้นดีอย่างน่งที่ว่าท่านไม่มุสานี่ยคือถามยังไงท่านทำยังไงท่านก็รับทื่อๆไปอย่างนั้นเองซึ่งก็ยากง่ายต่อการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ที่บังเกิดขึ้นที่ยุ่งยากก็คือท่านท่านไม่ยอมรับแล้วก็จะมีปัญหามากเมื่อท่านยอมรับพระเจ้าก็ชี้โทษได้ชี้คุณได้ชี้โทษของการกระทาเช่นนั้นซึ่งโทษน้ำก็เห็นไปจักอยู่แล้วนะฮะ เช่นว่าเวลาท่านไปทําอะไรเพียเพ้ยนๆออกไปชาวบ้านก็ตําหนิพระเพื่อนฝูงโดยการก็ตําหนิจนเรื่องอย่าราวลามปามลุกลามไปไอสิ่งเหล่านี้ท่านก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วก็สํานึกเห็นโทษโทษมันก็ชัดนี้ดังที่กล่าวมาในตอนตอน้นว่าเรื่องวินัย น, นั้นจะต้องเห็นโทษเสียก่อนถ้ายังไม่เห็นโทษแล้วก็ยากในการที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ยามใดเห็นโทษบางครั้งบางคราวใครก็ไม่บังคับอะไรเขาก็ ประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตัวเองจะยกตัวอย่างว่าโทษของสุราคนบางคนอาจจะดื่มสุราเขาจะให้อย่างไงเขาจะพูดอย่างไงจะแสดงอย่างไงแกก็ไม่ยอมรับฟังเงื่อนไขเหล่านั้นก็มีวิธีที่จะอธิบายชี้แจงเพื่อให้ตัวเองได้ดื่มสุราจนได้แต่วันใดวันหนึ่งแกไปจากโทษนั้นด้วยใจของแกเองและวแกจะเลิกละได้เองจะเป็นการเลิกละในลักษณะที่มัน่นคง คือไม่ใช่เป็นการกดแบบกดลูกโป่งเอาไว้เพราะการควบคุมจากบุคคลอื่นการคอยโจดคอยท้วงอะไรต่ออะไรเนี่ยมัน ม, มันเหมือนกับการกดลูกโป่งเอาไว้มันมีการต่อต้านมีแรงดันถ้าหากว่าเผลอๆมันก็ไปโป่งในตรงอื่นอาจจะพุ่งโป่งในตรงนั้นแต่ก็ไปโป่งขึ้นในที่อื่นคือต่อหน้าคนกนอาจจะเรียบร้อยติ่มติมสวยงาไม่มีปัญหาอะไรเลย ก็อใเกิดความชื่นชมยินดีแต่ก็รับหลังไปแล้วก็โลดผลจนทะยานยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดเกิดมีความสํานึกโดยอาศัยความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือความเคารพเหตผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือความยิ่งทรนงในชาติสกูลของตนในฐานะของตนในวิจาการการศึกษาของตนในการประพฤติปฏิบัติของตนเรื่องมีความรับผิดชอบต่อสกุลวงศ สถาบันต่อความเป็นาศาสนิกในาศาสนาต่อเป็นต่อความเป็นประชากรภายในชาติเป็นต้นพวกนี้จะมีหลักคํายันที่มากกว่าและแข็งแรงกว่าเพราะคนนั้นจะมีวินัยภายในตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องไปชี้นิ้วสั่งการโจด ท, ท่วงหรือตำหนิติเตียนจากบุคคลอื่นแต่ประการใดนั่นก็คือจุดของการมีวินัยภายในตอนอดานั้นการยอมรับหรือมองเห็นโทษของการละเมิดพระวินัยถือว่าเป็นฐาน ที่จะช่วยให้บุคคลผู้นั้นเห็นเห็นคุณค่าของการมีพิไหนแล้วก็มองเห็นโทษทั้งสองด้านนะคือคนเราจะต้องมองเห็นทั้งสองด้านถ้าไม่ไม่เห็นสองด้านเราก็ไม่รู้จะทิ้งอย่างหนึ่งไปทำอะไรเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเห็นโทษของอีกด้านหนึ่งแล้วก็มองเห็นคุณค่าของอีกด้านหนึ่งเราก็จะละไอ้สิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ดาเนินไปสู่สิ่งที่เป็นคุณความดี ปจุจจาจึงใช้วิธีนี้พอประชุมชี้แจงเสร็จแล้วในที่สุดก็จะเริ่มบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเพราะหลักการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็โดยเหตุ10ประการด้วยกันภาษาบาลีท่านใช้คําว่าอาศัยอํานาจแห่งประโยชน์10ประการคือหมายความว่าทรงเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบัญญัติพระวินยัยมีอยู่10ประการจึงทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นซึ่ง กฎเกณฑ์ในการบัญญัตินี้ก็ครอบคลุมการปฏิบัติของนักบวชทั้งหมดคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางสิกขามานาแล้วก็จนถึงกับชาวบ้านโดยอนุโลมแต่ชาวบ้านนั้นไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้นก่อนนะธรรมะที่บัญญัติแก่ชาวบ้านเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเป็นสัจธรรมที่จําเป็นจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามส่วนบินในบางข้อนั้นที่จริงไม่ใช่เรื่องบาปกรรมอะไร แต่เป็นกติกากฎเกณฑ์ภายในสังคมของสงฆ์ของหมู่คณะของเราที่จะให้อยู่อย่างมีระเบียบแบบแผนแล้วก็มีมีมีส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นได้ตอนนั้นการบัญญัติพระวินยยัยจะมีวัตถุประสงค์กิสประกรันคือหนึ่งเป็นการยอมรับของพระทั้งหมดที่มาประชุมกันว่าการบัญญัติอย่างนี้ดีประสเป็นการป้องกันคนซึ่งซึ่งเป็นคนดีนะฮะไม่ถูกรังแกเบียดเบียนเพราะมีกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติ ประการที่สมนั้นเพื่อให้สงอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขพราะคนเราถ้าเข้าไปในสมาคมใดก็ตามเป็นสมาชิกใน ส, สมาคมใดก็ตามเราไม่รู้ปฏิบัติตนอย่างไงในสมาคมนั้นก็อยู่ลำบากอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆดังนั้นในทางพระวินัยเวลาพระส ม, มุทรพระอาคันธุ ก, กะคือพระที่มาจากที่อื่นเนี่ยมาถึงในวัดเนี่ยจะ ต, ต้องสอบถามกติกากฎเกณฑ์ oh. ว่าวัดนี้มีระเบียบปฏิบัติยังไงจะเดินบิณฑบาตยังไง เ, เวลาเช้าสายบายเย็นทําอะไรกันบ้างเนี่ยจะต้องศึกษาซะก่อนเขาเรียกว่าอาคันธุกะวัดแต่จะต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเข้าไปในสมาคมใดก็ตามเพราะการรู้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจึงช่วยให้การอยู่ร่วมกันมีความปกติสุขมากยิ่งขึ้นในประการที่4ก็คือเพื่อกำราบคนบางคนที่หน้าด้านไร้ย่างอาย เวลาใครจูดท่วงอะไรแกจะมักเบี้ยวเบี้ยวข้างๆคูภูไปโดยอ้างว่าไม่มีการบัญญัติบ้างไม่เคยพบบั้งไม่เคยรู้บ้างหรือไม่มีการบัญญัติบ้างแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์เอาไว้ก็กำหลับบุคคลเหล่านั้นได้ที่แจงชี้โทษให้แก่เกิดความเข้าใจได้แต่ประการต่อไปก็คือการจัดเรื่องเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วซึงบางครั้งบางคราวในการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าคือเราดูแล้วถ้าเรามองโดยเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วน่ากลัว เช่นว่าบัญญัติว่าพระเนี่ยสิวันจะอาบน้ำในขนหหนึ่งแต่ยังไม่ถึง15วันอาบน้ําต้องไปจิตตีนี่มาเสียวไส้15้าวันในอาบน้าขนหนึ่งนี่ก็แย่แล้วคนเนี่ยแต่ว่าทําไมยังต้องบัญญัตินะอันนี้มันไม่ใช่บาปอะไรมันเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับทางจิตวิทยามวลชนถ้าถ้าเราศึกษาถึงมูลเหตุให้บัญญัติพระวินยัยเนี่เราก็จะเห็นวความจําเป็นมันแก้ไขสถานการณ์ คือมันเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าพิมพิสารท่านจะออกไปอาบน้ําที่ตะโทารามท่านที่เคยไปอินเดียคงจะเคยพบตะโพธรามเป็นบอน่อน้ําร้อนนะอยู่ใกล้ประเชศตะวันพระท่านอาบน้ํากันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอาบกันจนนั้นเน่ยจนคัามืดพระเจ้าพิมพิสารท่านเขารกพระท่านไม่กล้าออกไปก็ปล่อยพระท่านอาบไปจนเสร็จเสร็จแล้วก็ไปสงสงก็เข้าเมืองไม่ได้ประตูเมืองปิดต้องไปอาศัยชาวบ้านเขานอนอยู่คืนเช้ามืดก็ไปค ว, ว้าโรคได้จ้ะ พระเจ้าก็สอบถามทราบความแล้วทางข้างนอกก็มีการปลูกระดมรกคนหมั่นท่ายอยู่เยอะฮะพระประวุทธศาสตรสนาเกิดขึ้นเป็นลักษณะของไฟไม่วางพวกนักบวชตั้งหลายที่สูญเสียผลประโยชน์เขาก็ไม่ชอบเพื่อนก็ปลูกระดมข้างนอกเป็นตํานองว่าพระเนี่ยไปเล่นน้ำํำอาบน้ํากันแล้วปล่อยปราชาอยู่นอกเมืองถ้าปราชาเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอะไรตัวเนี้ยเมื่อเกิดวุ่นวายขึ้นมาจากข้างนอกพระเจ้าก็บัญญัติินัยโครงลงไปเลย ต่อไปพิกษุอยู่ในมัดชิมชนบทคือตอนกลางของประเทศอินเดียนะสิ้าวันจึงอาบน้ำแต่หนึ่ง 61. ถ้ายังไม่ถึง15้าวันอาบน้ําต้องปาจิตติชาวบ้านเนี่ยเขารู้ไอ้ไม่อาบน้ําวันเดียวจะแย่อยู่แล้วพระถูกลงโทษให้อาบน้ําตั้ง15้าวันเนี่ยก็ไม่ไหวไอ้ชาวบ้านที่กำลังโกรธโกรธมันก็หายโกรธ ส, ส, สงสารสงสารพระไปเลยพอเรื่องมันเงียบเสร็จแล้วพระก็มาขอขอพรพระพุทธเจ้าเพระงั้นจึงจๆงจเชนว่าทํางานเหนื่อยก็อาบน้ําได้ รู้สึกไม่สบายตัวก็อาบน้ําได้เดินทางไกลก็อาบน้ําได้เพราะอนุมัตไอ้อนุบัญญัติเขาเรียกว่าแก้ไขเพิ่มเติมทีเด็แก้ไขเพิมเ่มเติมข้อนี้ตั้ง8ดครั้งเนี่ยครับคท้ายอาบได้สบายอาบได้เหมือนเดิมไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, มีทำอะไรก็ไม่กวาดไมากกว่าดขยะพราะเหงือ่อ แ, แตกก็อาบน้ําอาบน้ําดะเลยแต่วินัยไม่เลิกนะฮะวินัยไม่เลิกนั่นเป็นเหตุผลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะงั้นเรื่องนี้จึ ง, จ, งจึงไม่ได้อยู่ที่บาปหรือไม่บาปแต่มันต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาเหล่านั้นเรื่องจะลามปามแล้วก็ยากต่อการจะแก้ไขพระเจ้าก็บัญญัติพระวินัยขึ้นเป็นการขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ป้องกันเรื่องเสื่อมเสียต่อไปที่จะมีในอนาคตแต่การประบัญญัติพระวินัยของพระนั้นเขาเรียกว่าเป็นการละบัญญัติหรืออาการลบัญญัติบางอย่างในบัญญัติเฉพาะการแต่นั้นเอง เนะช่นว่าการถวายพระอับน้ำฝนอย่างนี้เอากันจะว่าสเดือนเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าโยมจะต้องถวายพระอับน้ำฝนกันปีนึงทุกเดือนหรือยุ่งกันใหญ่เลยก็ถวายเป็นงสเดือนเท่านั้นเองถวายเฉพาะก่อนข้าพันษาเท่านั้นตอนอื่นไม่ต้องถวายหรือว่าการจะอยู่จําพรรษาก็กําหนดการเท่านั้นเองนะห้ามจะลิกไปไหนอย่างไม่มีเอเอเรียกว่ากิจที่สมควรเป็นกิจจนลักษณะ เป็นกิจลักษณะก็ไปได้นะฮะสมยัยพุทธกาลก็เหมือนการกสมัยปัจจุบันก็ไปได้แต่ว่าไปเที่ยวเสด็ตามสบายไปเที่ยวทูดดงไปเที่ยวจาริกอย่างนั้นไม่ได้ต้องอยู่ประจําที่เท่านั้นเองสีเดือนเท่านั้นไม่ใช่ว่าทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการเฉพาะบางทีก็เป็นท้องทิ่นะฮะท้องถิ่นอย่างหนึ่งเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อีกท้องถิ่นอย่างหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นว่าเราจะบวชในอินเดียเนี่ยต้องมีพระประชมกันสิบองค์แต่ถ้าในเมืองไทยห้าองค์ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร ทีนี้โยมก็ต้องการทําบุญมากๆบางทีก็นิมนต์พระได้เต็มโบสถ์เลยทีก็พระก็ทำกรลงมากๆแล้วยมก็บ่นว่าแหมทําบุญนี่บวชหน้างลงทุนเยอะที่จริงไม่นี่นะฮะกฎการนี้มี5องค์ก็ได้ถ้าจะเจ้าบ้านเรานะฮะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราเราถือว่าเราเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศกลางนะฮะเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาเราก็ไม่ยอมบวชเหมือนกันในพระ5องค์นี่ก็ถือว่าเราหนึ่งเหมือนกันเราก็บวชสิไปเลยคือเท่ากับอินเดียถ้าก็ยุคพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นความศรัทธาของเราเองนะในแง่ของพระวินัยแล้วไม่ได้ว่าอย่างนั้นกขาลดลงมาแล้วก็ต้องการต่อไปก็คือให้คนที่เขา ย, ยังไม่เรื่อมใสได้เรื่อมใสเห็นการประพฤติปฏิบัติของพระก็เกิดความศรัทธาเลื่อมายคนที่เรื่อมใสแล้วก็จะมีความเรื่อมใสามากยิ่งขึ้ น, น เ, เพื่อให้พระศัทธธรรมดำรงอยู่ได้นาน คือตราบใดที่เรายังมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบแผนอยู่เนี่ยพระธรรมจะดำรงอยู่ได้พระธรรมก็คือพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฮะคือการศึกษาการปฏิบัติกันด้รับผลของธรรมะแล้วก็เป็นการรักษาพระวินัยก็กลายเป็นหมู่คณะที่ที่งดงามขึ้นมาได้เราลองดูทหารเดินอะไรอะไรเดินนะฮะลูกเสือเดินมันก็สวยงามทั้งๆที่ว่าคนต่อ น, นั้น ต่างคนต่างก็มาจากถิ่นต่างๆแต่มาฝึกปลือด้วยระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยเดียวกันมันก็กลายเป็นหมู่คณะสวยงามทหารก็เดินเป็นหมื่นก็เดินให้มีเสียงเดียวกันได้เลยนี่ก็แสดงอาการฝึกปลื้กันมากจนกลายเป็นทำได้โดยอัตโนมัตินั้นก็คือพวกวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัยออทีนี้ได้กล่าวมาในตอนต้นว่าข้อสําคัญว่าเราต้องมองเห็นโทษพระอาจ า, าย์ทรงใช้คําว่าเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อย คือโทษนั้นเพียงเล็กน้อยก็ต้องต้องมองให้ให้เห็นว่าเป็นโทษมันเหมือนอะไรนะฮะมันเหมือนกับไฟคือน้อยเราก็ต้องมองเห็นเป็นไฟยาพิษน้อยก็ต้องมองให้เห็นเป็นยาพิษไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน ะ, ะคือไม่เป็นไรบ่อยๆบานก็มีการสะสมสะสมทีนี้มันจะเป็นไรขึ้นมาเพราะมันมากขึ้นตอนแรกอาจจะไม่เป็นไรจริงจริงการมองเห็นโทษของของการละเมิดชิ้นสิขาบทไรต่างๆเนี่ย ต้องมองให้เห็นว่าแม่เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นโทษยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะพิสุรูปหนึ่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นานบำเพ็ญสมณธรรมก็คือบําเพ็ญเพียรศีลสมาธิปัญญานะคําว่าสมณธรรมได้ท่านทั้งหลายอาจจะไปได้ยินคํารวมอย่างนี้สมณธรรมก็คือปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาก็ทำที่ทําให้เกิดความสงบหรือธรรมของสมณะ ตอมาวันหนึ่งท่านนั่งไปในเรือเปในเรือแล้วก็มือก็เล่นน่ะเล่นน้ําอ่ะแล้วก็มือไปไปเกี่ยวอ้อยสาลายเกี่ยวสาลายขาดเรือมันก็เล่นไปไปสาลายท่านก็ไม่ยอมหยุดมือมันสาลายขาดอันนี้เขาเรียกว่าพลาคภูตคามนะฮะพระนะวินัยพระมันจะวินัยชาวบ้านทําภูตคามให้ขาดพระตัดใบไม้อะไรแต่อะไรไม่ได้นะะเป็นเด็ดใบไม้ต้นไม้ออะไรนี่ไม่ได้ ท่านก็เห็นว่าอาบัตมันเล็กน้อย เ, อเลยก็ไม่ได้แสดงทีนี้ไม่ได้แสดงนั้นใจคนเนี่ยมันก็เวลาก่อนจะตายเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่แข็งแรงใจก็อ่อนและสิ่งที่ไม่น่าคิดมันไปเหนี่ยวคิดเอาเหมือนกับลักษณ ะ, ะ, ะนคนแต่งชุดขาวนฮะผ้าดำกันนิดเดียวเราก็เห็นแล้วแต่ถ้าผ้าดำมันก็ไม่ค่อยเป็นไรนะฮะ คือคืออาจจะมีอะไรเปื้อนมันก็ดูกลืน่นๆกันไปใจคนก็มีลักษณะอย่างนั้นพอใจสะอาดขึ้นจะเห็นโทษเห็นโทษแม้เล็กน้อยในชัดเจดนอย่งคืนนี้คือปัญหาพระรูปนั้นพอก่อนจะตายแทนที่จะนึกถึงอารมณ์กรรมฐานนึกถึงสมาธิจะไปนึกถึงไอ้สาหลายนึกถึงสาหลายขาดนะฮะพระจะแสดงอบัติไม่ได้วิวิปฏิสารเดือดร้อนใจตายไปด้วยอารมณ์เหล่านั้นนะ่ยก็ตายไปเกิดเป็นพญานาคตังพุธทธันดร น, นะฮะ ก็ามาพบพระพุทธเจ้าในที่หลังก็ระลึกชาติได้แล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็นํามาพบพระพุทธเจ้าจะขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าขอไม่จะเทศน์ให้ ย, ยังไงนะฮะแล้วก็พระพุทเจ้าก็สอนให้ใ ห, ให้ให้รักษาศี่หไว้แต่นั้นเองเพราะอย่างอื่นแก่ก็ทําไม่ได้เนื่องเนื่องจากเป็นสัตว์ดิเรกชันแล้วตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไอกิจโฉมนุสสปฏิลาโพการเกิด การได้อัตภาพามาเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจฉังมัญจานชีวิตังการดารงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากกิจฉังสัตยามัตสวนาณาการได้ฟังพระสัทธรรมนั้นก็เป็นของยากนะท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ในที่นี้อาจจะรู้สึกไม่ยากนะแต่ว่าคนคนบางคนเหมือนลาบไม้เอาปลายไปนะพอได้ยินเสียงพระฟังธรรมแล้วมันแสลงหูเหลือเกินเลยต้องปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุพวกนี้มันก็ได้ฟังนะโดยเฉลี่ยแล้วเราจะเห็นว่า ฟังก็ยากกิชโฉบุทตานมุ ป, ปาโดการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทําความดีมาขนาดนี้ผลในท้ายอบัตมาตัดเอาแล้วก็ทําให้ท่านไปเกิดเป็นเป็นนาคนี่คือคือโทษที่มองเห็นพระพุทธเจ้ามักจะเอาโทษเหล่านี้ขึ้นมาเล่าโทษโทษที่พระในศาสนาก่อนๆนะฮะศาสนาพุทธหรือ ว, ว่าศาสนาพระเจ้าองค์ก่อนทาไว้หรือ ว, ว่า ท่านที่ทำว้ในภพในชาตินี้แล้วส่งชี้โทษให้เห็นแต่ทั้งส่วนของขิวิเนยคือวิเนยของผู้ครองเรือนและวิเนยของบัพปิจิตที่เรียกว่าอนาคารยิยะวิเนยวิเนยของผู้ไม่ครองเรือนหรือหรือของนักบวชที่นี้การปฏิบัติจนมีวินัยในตัวเองคือควบคุมตัวเองได้นั้นท่านเห็นว่าในแง่ของพัฒนาการก็แสดงถึงพัฒนาการคือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเราจะควบคุมกันตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วมันต้องอยู่จุดหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาเราพระเจ้าใช้คําว่าสัญญาสัญญาก็คือความสํานึกว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพระก็เรียกว่าสมณะสัญญาคือสํานึกว่าเราเป็นเป็นพระอาการกิริยาใดๆที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นพระก็ทําอาการกิริยานั้นๆนะเป็นกุลสตรีสัญญาสํานึกว่าเรานั้นเป็นกุลสตรี กิริยาอาการอะไรที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นกุลสตรีเราก็ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรอย่างนั้นเมื่อวานนี่ยก็มีนักเรียนมาสองโรงมากันโด๊ะก็เต็มข้างล่า ง, ก, างก็เต็มข้างบนก็เต็มเลยไม่รู้แบ่งภาคยังไงข้างบนเลยใช้เทปข้างล่างเราใช้พูดเออแล้วก็ทบทวนให้เด็กแกแกคิดนะฮะว่าเรียกว่ให้มีสัญญาเด็กข้างล่างนี่ก็รุ่นอายุสิบเ็ดบแปดนะฮะก็เรียกกุลธิดา เคมีกุลธิดาสัญญาเมื่อก่อนในโบราณน่นเรียกว่ากุลธิดากุลบุตรนะฮะเราจะเห็นว่าคําเหล่านี้มันเน้นที่สัญญาสัญญานี้ไม่ไม่ใช่ข้อตกลงนะฮะสัญญาหมายความความสำนึกความสํานึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นนักศึกษาสัญญาเป็นสมณะสัญญาเป็นอุปสมบทสัญญาปฏิกาสัญญากุลบุตรสัญญากุลธิดาสัญญาอะไรต่วเนี้ยสานึกว่าเราเป็นอะไรแล้วปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ความเป็นของเรา นี่ก็กลายเป็นมโนธรรมคุ้มครองตัวเองนะฮะคุ้มครองตัวเองเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งะฮะจะอาศัยไอ้สิ่งอิงทั้งหลายครั้งแรกอาศัยอิงอิงอยู่ก่อนออทํานองอะไรทํานองคล้ายๆกับไอ้พัฒนาการทางกายเป็นทํานองพัฒนาการทางกายของเราเช่นตอนแรกอะไรก็พ่อแม่ทุกอย่างนะฮะต่อมาก็ช่วยตัวเองได้บ้าง ต่อมาท่านก็ประคองให้เดินนะต่อมาเราก็เดินกับเราเองเราเดินตามหลังเมื่อก่อนท่านเดินโจงนะต่อมาเราก็เดินตามหลังนี่แสดงถึงว่าพัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปคื อ, อ, อชั้นต้นแน่นอนจะต้องมีการควบคุมแต่วินัยจะต้องเดินมาจุดวินัยของตัวเองคือมีวินัยในในตัวเองคือใครคุมไม่คุมเราคุมเราได้เลยเป็นความสํานึกรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในขณะนั้นควรไม่ควรนี ทงใช้กัว่ามีวิเนัยที่ศึกษาสำเนียกดีแล้วเดินหน้ามาได้เลยตอนนี้ในชั้นแรกอาจจะอาศัยคิดถึงอะไรอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยฮะคิดถึงในด้านความสำนึกก็คิดถึงในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของเราการเกิดเป็นคุณบุตรคุณลธิดาของสกุลมีความรู้ได้ศึกษามาดีมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วส่วนหนึ่งต้องอาศัยความกลัวนะฮะเสริมสร้างวิเนัยจะต้องมีความกลัวไม่มีความกลัวไม่มีทาง อย่าไปอวดดีไปเลยอย่าไปพูดภาษาปรมัดอะไรเลยถ้าไม่มีกลัวแล้วไม่มีทางขึ้นไปได้เลยต้องกลัวกลัวอะไรกลัวชั้นสูงสุดคือกลัวบาปบาปกรรมแต่ว่าชั้นล่างต้องกลัวอาทยากลัวอะไรกลัวคํำกระหานนินทาตำหนิติเตียนกลัวความเสื่อมเสียต่างๆต้องกลัวเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าหนึ่งต้องกลัวว่าตัวเองต้องอาจจะติเตียนตัวเองก็ได้เราทําผิดทําอะไรไปก็ติเตียนตัวเองได้ประการที่สองผู้รู้ไข่ควรแล้วท่านติเตียน อย่างความสํานึกของพระนางมารีกาเทวีที่ท่านทา่ทานโกหกพระเจ้าปเนสนโกศลนิดเดียร์เองอไม่มีใครรู้พระเจ้าปร เ, ปรเนสนโกศลก็ไม่รู้ว่าท่านโกหกแต่ท่านเองท่านรู้ท่านบอกว่านอกจากท่านรู้พระพุทธเจ้าจรู้พระอรหันต์ทั้งหลายรู้ท่านก็กลัวไอไอไอความผิดเหล่านี้ทําให้จิตใจเศร้าหมองและที่วงคตไปตกนรก อ, อยู่ตั้งเจ็ดวันที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแนี่คือจิตมันไปเหนี่ยวเออาทีนี้ประการต่อไปต้องกลัวอาดยา อาจารย์ของบ้านเมืองนะะอาจารย์ของบ้านเมืองก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ยเดี๋ยวนี้ก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทานให้สินบนไป่มั่งก่อนไม่ไม่ไม่ไม่เยมีปัญหาอะไรมันต้องมีกลัวหลักอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวภัยในนรกต้องเห็นภัยในนรกกลัวตัวการตกนรกเนี่ยเพราะเกิดของอกุศลกรรมพระเจ้าก็เน้นที่หเห็นภัยในนรกใหได้ถ้ายังไม่เห็นภัยในนรกนั้นยังไม่มีหลักข้ามยันเท่าไรเรากลัวตัวเองติเตียนเราเองได้ถ้า คนเรากระด้างแต่ยอย่างมันก็ไม่ติเตียนตัวเองหรอกทีนี้ผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนบางทีผู้รู้ท่านไม่เห็นท่านก็ไม่ติเตียนนะภยัยอาทอาของบ้านเมืองถ่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันก็มีใครจับแต่ด้านรกนี่ไม่มีทางเลยเราจะเห็นว่านารกคุ้มครองได้หมดเลยใครเห็นไม่เห็นต่อหน้าคนรับหลังคนนั้นจะคุ้มครองตัวนะเพราะงั้นฐานจึงอยู่ที่ความกลัวด้วย ต้องอาศัยความกลัวแต่เป็นความวกลัวที่มีเหตุผลนะฮะไม่จะกลัวแบบกลัวผีแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรแต่นี้ก็กลัวแล้วงดเว้นเฉพาะความชั่วเท่านั้นเองไม่จะไปงดเบนไปไปหมดงานการไม่ทํานี่ก็คือฐานของอะไรฐานของหิเดโอตะปะซึ่งเป็นเป็นหลักสําคัญในการคุ้มครองตัวเองอเพราะหิเดโอตะปะเป็นเป็นโล ก, กปาระทำทําคุ้มครองโลกแต่แท้จริงมันเริ่มถึงคุ้มครองปัิเจ้ชนนะฮะ เริ่มคุ้มครองที่บัจเจกชนแต่ละคนให้มีวินัยในตัวเองควบคุมตัวเองได้แล้วก็เดินหน้าได้ต่อไปเมื่อปัจเจกชนแต่ละคนภายในสังคมได้คุ้มครองไว้ด้วยธรรมข้อนี้ต่อไปมันก็เป็นสมาชิกเป็นกลุ่มคนเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัยก็เท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่ามันมากมายอะไร อ, อ, อย่างในสมัยก่อนการฝึกปลือเด็กก็จะเห็นว่าจะมีการลงโทษเชียนมั่งอะไรลงโทษมั่ง ก็ น, นั่นก็คือสร้างความกลัวเกิดขึ้นมาและวกลัวเนี่มันเดินเดินเดินไปอิงรูปธรรมไปเรื่อย ๆ, ๆเสร็จแล้วจะเป็นนามธรรมพ่านามธรรมรูปธรรมมีหรือไม่มีไม่ต้องกลัวฉันมีก็ฉันแล้วฉันคุมก็ฉันได้นั่นคือหลักของวินัยที่ศึกษาสําเนียกดีแล้วจําเป็นเลือเกินที่จะต้องเดินไปให้ได้นะฮะปัญหาเวลานี้ที่เราพูดกันมากในบ้านในเมืองเราก็คือปัญหาวินัยภายในชาติเราไม่มีไม่ไม่ค่อยมีวินัยภายในชาติ วันก่อนนี่มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะฮะไปพบกับท่านที่ต่างจังหวัดท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งไปในรถไฟแล้วก็ไปเจอกับคนเกาหลีสามคนพ่อแม่ลูกนั่งตรงกันข้ามแล้วท่านก็สั่งไปเตี๋ยวมากินอันนั้นเขาก็มีอาหาร เ, าเก็บมาแล้วก็เอามากินพอก่อนจะกินนี่เขาก็มีถุงมีถุงมาวางไว้ถุงพอปอกอะไรก็ใส่ถุงอะไรก็ใส่ถุงอะไรก็ใส่ถุ ง, รถงเรียบร้อยนะฮะ ไอ้แกก็เป็นระดับผู้อำนวยการโรงเรียนนะมีนักเรียนตั้งสามสี่พันโรงเรียนใหญ่มากเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วขยําขยำก็ปลาโคลงไปหน้ต่างเ้กินอีกขอนึงก็ปลาโคลงไว้นั่งกินกันสองคนปลาหมดทั้ง4ี่ทั้งสไอเส้เศษมันทั้งสี่เสร็จแล้วแกก็มองดูสองคนนี้สามคนพ่อแม่ลูกนี่กินลูกก็ต้องเอาใส่ถุงหมดเ ส, เสร็จเรียบร้อยพ่อก็รวบถุงแล้วก็มัดแล้วก็เดินถือถุงไปเดินไปหาทางขยะใส่ บอกเห ม, มือนกันโดนตกหน้าตกรถไฟเวันร้อนฉาไปหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยมันอับอายเสียใจน้อยใจตัวเองที่พอเป็นหนึ่งผู้อนยกาตเด็กเกาหลีตัวเปียบๆนี่มาตกหน้าเอาได้นี่คืออะไรคือเขาฝึกของเขานะฮะเราจะไปโทษไม่ได้หรอกเขาฝึกของเขามันดีซึ่งจะคงจะไม่ได้หมายความมาทุกคนนะฮะ แต่ว่าส่วนมากเขาฝึกของเขามาได้เมื่อฝึกมาได้ก็กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะมันคุมทิศทางได้คนน้อยก็เหมือนกับคนมากเดี๋ยวถ้าไม่มีวินัยเราจะเห็นว่าเวลามันมันมั น, ม, นมันเกิดสับสนนะฮคนสับสนเวลาอะไรเกิดจราจนเวลาเกิดวุ่นวายอะไรนะั้นคือคนไม่มีวินยัยให้มีตั้แสนตั้งล้านไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีคุณค่าในการสร้างสารรค์อะไรเลยมีแต่ทําลายวิ่งชนกันเหยียบกันพังตายเป็นแถบแถบไปเท่านั้นเอง แต่ถ้าคนมีวินัยนั้นจะคุมไปได้เลยแม้จํานว น, นน้อยๆท่านั้นเองเพราะงั้นเรื่องเรื่องวินัยจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่กันมากในปัจจุบันเนี่ยวินัยในการขับรถในทุกอย่างเลยฮะมันมันก็ขาดวินัยกันเยอะแยะไปหมดเลยเวลาปัจจุบันที่มีรถชิงนรถเชิงขึ้นมาอีกแล้วยุ่งกันใหญ่เลยนี่คื อ, ค, อคือคือความบกพร่องในการด้านวินยัย มงคลม ง, มงคลชีวิตในชุดนี้นะฮะมามาถึงจุดนี้แล้วยังมีอีกข้อหนึ่งข้างหลางเนี่ยนะเป็นพัฒนาปฏเจรชนทั้งหมดถ่า ต, ตั้งหลายสังเกตดูนะสิบข้อสิบข้อเนี่ยมุ่งที่ปัจเจรชนทแต่ละควนแก้ปฏเจริชนมไปก่อนเพราะถ้าปัจเจรชนดีไม่ได้เนี่ยฮะเป็นเป็นคนดีไม่ได้นะฮะจะไปมีครอบครัวดีไม่ได้เลย เพราะว่าเราเป็นเป็นสามีพันยาการมันก็มีสามีพันยาอะไรเจประเภทหรือว่าบางทีก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สี่คู่นะฮะบังการจะอยู่แบบยักษ์ขีนีอยู่กับยักษ์นะตีกันบ้านพังเลยมันก็อยู่กันได้ก็อยู่แบบยักษ์ยักกันไปมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์ให้เกิดความสงบอะไรขึ้นภายในครอบครัวเพราะงั้นต้องต้องต้องเน้นที่ปัจเจกชน เน้นที่ปเจกระจนการไม่คบผ่านการครบบันดิตบูชาผู้ควรบูชาอยู่ในประเทศอันสมควรทําบุญไวในการก่อนตั้งตนไว้ชอบมีการศึกษาระดับสพังมากฉลาดในศิลปะมีวิ น, นัยในตนเองข้อต่อไปก็สุภาษิตาจยาวาจาสุภาษิตาจยาวาจานั้นแปลว่ากล่าววาจาที่เป็นสุจริตสุจริตก็คือกล่าวและดีนะฮะกล่าวและงามพูดง่าย พูดง่ายวาจาที่เป็นสุจริตเป็นวาจาที่พูดง่ายสุปลวระโยชน์ดีปร ะ, ดดประงงามา ง, ง่ายนะฮะภาษิตก็คือการพูดการกล่าวเราจะเห็นว่าถ้าเราแปลอุปสรรคให้หมดทั้งสมตัวเราจะเห็นภาพของวาจานี้ว่าพูดเป็นง่ายนะฮะก็พูดกันตรงๆเนี่ยเห็นคนห้าคนก็บอกห้าคนเนะี่ยไม่ต้องวางแผนอะไรเลยไม่ต้องเตรียมจะโกหกทีนี้ทีไล่ไม่ต้องวางแผนอะไรก็พูดแปบนั้นนะยังคนมาห้าคนก็ห้าคนนะบอกห้าคนนั้นเองนี่คือพูดแล้วง่ายแล้วพูดแล้วดีพูดแล้วงาม ทุกง่ายและซึ่งวาจาที่เป็นสุภาษิตนั้นโดยพื้นฐานจริงๆนะฮะโดยโวหารพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้โวหารเป็นนั้นมากและโดยพื้นฐานของคําพูดจะต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานเมตตาวาจานะฮะเริ่มที่วาจาที่มีเมตตาเป็นพื้นฐานและพื้นฐานหลักที่จะได้อีกประการหนึ่งคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูด มีเมตเราเองมีเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วก็เมื่อพูดออกไปแล้วประโยชน์จะได้จากการพูดนั้นตอนนั้นสูตรเหล่านี้จึงเวลาสูตรสูตรของตัววาจามันจะสูตรของใจนะฮะพระพุทธเจ้าจึงกําหนดว่าะนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาลนะและผู้ฟังชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้สูตรตายตัวเลยไม่ต้องว่าล่ะฮะตายตัวอย่างนี้ทุกทีเลยแต่พื้นฐานของเราเองต้องประกอบด้วยเมตตาเพราะรเพระมันมีเงื่อนไขาบางอย่างมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ว่า บางครั้งก็ไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่นะฮะวาจาที่พูดออกไปแต่ถ้าใจที่ประกอบด้วยเมตตาก็ไม่มีปัญหาอะไรประเภทวาจาที่เป็นสุภาษิตนั้นได้แก่วาจาประเภทเขาเรียกอริยะโวหารคือโวหารของพระอริยโวหารของพระอริยะนั้นก็มีอยู่สองสายนะฮะสายแรกก็คือพูดตามประสบการณ์ตรงของตน หรือถ้าได้เห็นก็พูดได้เห็นได้ยินก็พูดได้ยินได้ทราบก็พูดได้ทราบได้รู้ก็พูดเราได้รู้อันนี้ยังเคยอธิบายฟังแล้วว่าทราบกับรู้นั้นเราใช้ในภาษาบาลีไม่เหมือนกันทราบนั้นหมายถึงว่าทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายเราเรียกว่าทราบแล้วก็รู้ก็หมายถึงรู้ได้ใจเรารู้มาอย่างไรเราพูดไปอย่างนั้นในกรณีที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็ก็ปฏิเสธ แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าจะต้องไม่เป็นการเสริมความคือทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อย่างสำนวนหนังสือพิมพ์นะฮะต้องการตื่นเต้นเรื่องเล็กนิดเดียวถ้าแกต้องการจะสนุกแกและแกบันเลงจะหยดย้อยเลยหรือว่าบางทีก็เรื่องใหญ่ทําให้เป็นเรื่องเล็กต้องการปกปิดเรื่องบางเรื่องเอาไว้อันนี้ถือว่าโกหกนะเป็นโกหกเขาเรียกอนุโลมมุสาอนุโลมมุสานั้นไม่ได้ตัวมุสาตรจงจงแต่เป็นการอนุโลมมุสา รือว่ากหกเหมือนกันไม่ไม่ได้โกหกต้งต้องนะฮะเพราะว่ส่วนหนึ่งแกก็บอกแต่ว่าส่วนหนึ่งแกก็ปิดไว้ส่วนหนึ่งแกก็บอกส่วนหนึ่งแกก็ยหญ่ขึ้นท่านเรียกว่าอนุโลมโอุส า, าในแง่เบญจศีลเบญจธรรมก็ถือว่าผิ ด, ผ, ดผิดชั้นของเบญจศีลแล้วก็ผิดชั้นของเบญจธรรมด้วยโบหารประเภทนี้บางครั้งบางคราวนะฮะท่านจะเห็นว่าเรื่องที่ทราบเป็นภาษากวีภาษากวีบางอย่างนั้น แกเห็นของแกอย่างนั้นเราอ่านแล้วเราก็ไม่น่าเชื่ออะไรแต่ถือว่าไม่เป็นมุสาวาทเพราะอะไรเพราะแกรู้ด้วยใจแกอย่างนั้นเป็นแรงบันดาลใจก็ เ, เรียกว่าแรงบันดาลใจนะเห็นว่าเราไปอ่านหนังสือปฐมสมโพธิกถาซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณชิชชินรธสรงนิพนนะฮะแล้วก็มีวันก่อนมีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะมาพูดกันมาบอกว่าพูดไปได้ยังไงพระยามาล สะดุง้งตกใจพระพุทธเจ้าเท้ากันห น, นึ่งยันในต้นโพเท้ากันหนึ่งยันภูเขาเอ๋อรหิมะผาอะไ ร, ม, ม, าะไ ร, ะไรมาบอกว่าอันนั้นมันมันมั น, ม, นมันเขาแสดงในรูปของนามธรรมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาคุณจะไปติดรูปแบบอย่างนั้นจะยักอะไรจะคลอมโลกอย่างนั้นเนาะไปติดรูปแบบมากเกินไปนะ่ะเขาแสดงในเชิงนามธรรมานะแต่ว่าเออเพื่อเพื่อให้ให้เป็นภาพเขาแสดงออกมาเป็นรูปธรรมอย่างนั้นเออนี่เป็นแรงบันดาลใจเขา กวีก็เห็นอย่างนั้นก็เข้าใจอย่างนั้นก็มีความจึงซาทางใจอย่างนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าพูดไปได้แล้วแม้แต่เราจะนําไปเล่าเราได้ยินมายัางไงเรื่องเรื่องบางเรื่องนิทานโกหกเราเล่าได้นะแต่เล่าเฉพาะที่ที่เราฟังมามันจะไปขยายต่อคือบางคนไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเรามาถึงคุยถึงสถานที่ไปเล่าจะหยดย้อยจนเราฟังไม่รู้เรื่องเลย ปรกฏว่ อ, เเ อ, อะไรมันสนุกสนานเลยเกินปรากฏว่าไปละเลงระบายสีที่สวยหยดจ้อยอันนี้ก็ถ้าพูดแบบจินตนาการเป็นบรรากวีเขาก็ถือว่าไม่มุสานะฮะแต่ถ้าต้องการผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็ น, เ ป, นเป็นมุสาประการต่อไปก็คือเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องในลักษณะเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีนะฮะเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคนะีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสังคมไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ซึงเป็นฐานในการพูดทีส่สำคัญการพูดอะไรก็ตามถ้ามีลักษณะที่ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในด้านความคิดความเห็นเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาก็จะเป็นจะต้องละเว้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาสมานสามัคคีกันอยู่แล้วก็พูดกระชับให้เกิดสามัคคีมากยิ่งขึ้นแล้วคนที่มีข้าวจะแตกแยกก็พูดประสาทมีวินัยของพระอยู่ข้อหนึ่ง ระชักสื่อให้ผู้หญิงผู้ชายเป็นสามีพันยากาันในปรับอบัติแรงมากเลยฮะต้องลงโทษต่อรมานตัวเองต้องหกวันนะวันหกคืนแต่มีว่าสามีพันยาทะเลาะ ก, กันในพระพูดได้พระพูดได้ พ, พูดได้ดเขาคืนดีกันได้แต่ถ้าเขาหยากันแล้วยพูดไม่ได้นะก็อเอาเฉพาะเดียวเขาทะเลาะ ก, กันอาจจะแยกกันอยู่แต่ไม่ถึงกับหยาขาดกันเนี่ยพระไปพูดประสานได้ว่าเป็นงานอย่างหนึ่งที่พระจะต้องใช้ พอข้ามเส้นขนานไปอีกทีหนึ่งคือคือถ้าเขาเลิกกันแล้วนี่ถือว่าคล้ายๆกับอะไรเหมือนกับหนุ่มสาวนะฮะคือคือคือเขาเอกเทศกันอยู่เราไปพูดไปพูดทีหลังก็ถือว่าชักสื่อแต่ถ้าเขาแตกแยกกันก็ถือว่าประสานนี่มันก็อยู่ที่เงื่อนไขาทางวินยัยว่าบางครั้งบางคราวเราก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าทําไมพระไม่ช่วยคือบางทีเราช่วยไม่ได้มันเลยเส้นของของธรรมะไปมันไปอยู่ในเงื่อนไขาทางวินยัยเราก็ช่วยไม่ได้ แต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขของวินัย อ, อยู่ในเงื่อนไขาทางพระวินัยไม่เลยเส้นไปเราก็ช่วยได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าช่วยพูดมันก็เกิดประโยชน์แยะนะฮะเกิดประโยชน์ได้แยะเพราะพระโดยจะเป็นคนกลางได้มากในเรื่องหลานี้ไม่ได้กลุ่มผลประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่แน่นะฮะพูดเสร็จโยมอาจจะยกปิตโตมาให้นะกันก็มันเรื่องของเขาเแต่การ ต่อไปก็คือพูดถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นภาษาของของผู้ดีนะฮะเป็นภาษาผู้ดีที่ฟังแล้วไพเราะสนองหูตัวเนี้ยที่ที่บอกว่าต้องมีเมตตาเป็นฐานเพราะอะไรเพราะภาษาในลักษณะนี้การพูดถ้อยคําในลักษณะนี้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไพเราะเสมอไปนะฮะบางครัง้งบางคราวก็ดพพพะะุพระพุทธเจ้าในแง่ของพระวินัยนะฮะพระเจ้าในแง่พระวินัยพระพุทธเจ้าต้องอาศัยโลกโัวหารเหมือนกันนะก็เรียกว่า ภาษาพิธรรมเขาเรียกว่าต้องใช้กามาวจรจิตคือจิตชั่นกามาวจระฮะเพราะถ้าพระพุทธเจ้าชั่พูดโลกุตรจิตแล้วก็จบกันโลกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พูดอะไรเพราะภาษาโลกุตระนี่พระอรหันต์กับพระอรหันตานั้นก็พูดกันรู้เรื่องอะมาพูดก็เราก็เราก็จบพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาษาที่เป็นโลกโลกภาษายัางไงเรียกว่าดุพระพุทธเจ้าต้องใช้ภาษานั้นไม่งั้นคนฟังไม่รู้เรื่องต้องใช้คำคำคำดุ ชาวบ้านก็ใช้คำนียอย่างสมัยโบราณเนี่ยรู้สึกว่ามากโมค้าบุรุษเนี่โมข้าบุรุษนี่นใช้มากเพราะงั้นพระเจ้าก็ใช้คำนี้เวลาพระอะไรตําหนิก็ใช้แต่ว่าใช้ด้วยปากไม่ได้ใช้ด้วยใจใจพระองค์ไม่ได้โกรธแต่ก็หมายใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้ท่านหมายรู้นะว่าอันนี้คือคำดุอย่างที่เขาเล่าถึงสมเด็จพระสงรังฆราชเจ้าวราธิปภิษใครไม่เคยเห็นท่านโกรธ แต่เขาบอกว่าสังเกตได้อย่างถ้าสมเด็จรับสั่งว่าประเดียวฉันโกรธนี่เรื่องคอขาดปาตายอ่ะสังเกตกันนะะว่าถ้ารับสั่งประโยคนี้เราต้องรีบทำนะไม่ได้นะเรื่องใหญ่ทีเนี่ยประเดียวฉันโกรธนะเนี่ยเรื่องใหญ่มากไม่เคยมีใครเห็นท่านโกรธมีพระสยิวพระพักอะไระอะไรเอะไวไวไม่มีเลยแต่ถ้ารับสั่งประโยคนี้เราก็รู้เรื่องเรื่องใหญ่มากก็สังเกตกันนี่ก็ก็หมายรู้กันว่าเนี่ย เรื่องเสียหายนะเนี่ยคำเหล่านี้ไม่จาเป็นจะต้องเราเราใจเราจะเจออะไรแต่เราต้องใช้ภาษาให้เขารู้เรื่องวันก่อนนี่ไปอภิปรายกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะบอกชื่อก็ได้สุนีสินทุเดชะไม่เคยใช้คำสบัดมากเลยเราฟังแล้วเสียวหลังเลยแต่ปรากฏว่าอาจารย์ตรงนี้บอกว่าเด็กสมัยนี้พูดภาษาธรรมดาไม่เข้าใจนะนั่นะนะนะพูดภาษาต้องพูดอะ้หยาบยาบบางทีดา่ามยังหัวเราะเฉยนะ แกแกคล้ายๆเป็นยังไงไม่รู้ฮะเด็ก <_ d eg g> บางคนนี่พูดภาษาแมมันอธิบายเราอธิบายอ้อมค้อมเนี่ยแกฟังไม่เข้าใจฮะเลยอาจารย์ตัวนี้เขใช้คําคําคําพ่อขุนเต็มที่เลย <_ d eg g> คำพ่อขุนเต็มที่แล้วก็พูดหนักกว่าเมื่อก่อนนะ <_ d eg g> ไปพบกันที่ศรีนครินทร์ก่อนเนะ <_ d eg g> ี่ยอธิบายด้วยกัน <_ d eg g> ใช้คําสมัยพ่อขุนรามเรียบร้อยเลย <_ d eg g> แล้วรู้สึกว่าคนฟังก็เข้าใจคนฟังเข้าใจก็แสดงว่ามีเลือดไทยอยู่มากกว่สมควร แต่ว่านี่คือแสดงให้เห็นว่าใจอย่าไปกันแล้วกันใจอย่าไปคือให้เรามุ่งเมตตาว่าใช้ภาษาอย่างไงให้คนนี้แกเข้าใจแกเข้าใจแกเกิดความสํานึกแล้วแกะละเว้นได้เราก็ใช้ถ้อยคําเหล่านั้นออกไปโดยใจยังมีเมตตามุ่งดีปรารถนาดีอยู่เพราะนั้นคําหยาบจึงมีการวินิจฉัยกันที่ใจ มีมินิชัยกันที่ใจว่าใจเราจะต้องมีเมตตามุ่งดีต่อเขาแต่แท้ที่จริงทุกจุดนะฮะพูดคําสั์คําจริงก็ต้องมีเมตตาแล้วพูดคําสมานสามาัคคีก็ต้องมีเมตตาเมตตาต่อเขาเนะไม่ใช่เมตตาต่อเรานะเมตตาต่อเขาไม่ใช่ว่าเราต้องการผลประโยชน์จากการพูดอย่างนี้คิดค่าในหน้าอะไรอะไรพูดเสร็จเอาประสานสามาัคคีให้ผัวเมียเขาเลิกทะเลกกาะกันแล้วไปขอเงินทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันตกเป็ดแล้ว ต้องมุ่งเมตตาต่อเขาอจะจะลืมการแช่ธรรมา น, นี้เราใช่กับเขาใช่กับเขาให้เขาเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราเกิดประโยชน์แต่แน่นอนว่าเราก็ได้โดยอัตโนมัติเพราะเราก็ได้ประพุติสุจริตพูดพระจีที่ที่เป็นสุจริตออกไปเรื่องวาจาที่เป็นสุภาษิตคือพูดดีเนี่ยในกรณีนี้บางครั้งเพราะมันแต่ไม่เป็นสุภาษิต ย, ยกตัวอย่างให้ฟังว่า เอ่อคนคนหนึ่งนะฮะเขาจมูกบี้ไปรักษาไอ้สวนไอ้ไอ้ไอไอสะบัวแล้วคนไปขอไปขอไอ้ดอกบัวกแก่ๆนะฮะพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ไอ้จมูกบี้ของท่าน น, นหายนะแล้วก็ขอใ ห, ให้ดอกบัวอะไรเนี่ยจบลงด้วยอย่างนั้นอนะ่ะ มีคนหนึ่งแกแกไม่ไม่ไม่ได้โอ้ลมปฏิลมอย่างนั้นแหะแกบอกให้ฉันจะมาขอดอกบัวหน่อยนะไอ้จมูกของเธอมันหายหรือไม่หายนะยังต้ทําไม่ได้แล้วจะขอดอกบัวยกันนะถึงว่าเธอให้ให้มันก็ไม่หายหรอกไม่ให้มันก็ไม่หายหรอกอันนี้ให้คนเนี้ยบอกนี่คุณนี่พูดจริงไอ้คนอื่นมันพูดแต่คำหวานมันเป็นไปไม่ได้นี่คําบางครทางมันมังสอดคล้องกับคนนะฮะสอดคล้องกับคนเหมาะสมกับคนอย่างเขาเล่าถึงบุตรเศรษฐีสี่คนไปพบกับนายพรานขายเนื้อ คนหนึ่งก็ไปถึงเรียกขฮ้ยไอ้พาขอเนื้อหน่อยวะไอ้มัน ก, ด, นกด้างเลยมันก็ด้างเลยเกินเลยให้เนื้อพังผืดไปเลยมันก็ด้างมันพังผืดอะก็<笑><笑>ตัดเนื้อให้ไปเลยให้เลยอคนหนึ่งก็เรียกว่าพ่อคือเห็นว่าเพื่อนโดนบังผืดนี่ก็ก็กลัวจะโดนพังผืดอีกเลยลงเต็มที่เลยเรียกว่าพ่ออ่าแกบอกว่าเรียกพ่อนี่ยทำให้หัวใจมันสั่นเลยให้เนื้อหัวใจเลยนะคนหนึ่งไปเรียกเพื่อน คนหนึ่งไมเรียกพี่นะครคนหนึ่งเรียกพี่ก่อนคนหนึ่งเรียกพี่แกก็ให้เนื้อคนหนึ่งเรียกขึ้นเรียกสหายขอเนื้อข้าหน่อยแกบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ใดก็ตามต้องมีสหายเพราะสหายเนี่มันเป็นทุกถึงทุกอย่างเลยก็ให้เนื้อหมดแล้วก็นําไปบ้านกันเลยให้ไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าหลักความจริงนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรต้องมีใจความเป็นสหายหรือเป็นกัลยาณมิตรจะเป็น กัญญาณมิตรนั blood, yeah. <Sa> ้นได้อะไรเป็นทุกอย่างของชีวิตะที่พระอานนท์กราบทูลถามเออกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเห็นว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติความดีรูุ้ทธเจ้าบอกไม่ใช่เป็นทั้งหมดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรนะฮะพ่อแม่ถ้าไม่มีไม่ไม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกลูกนั้นก็หาความเจริญเติบโตไม่ได้ลูกเองก็ต้องเป็นกัญยาณมิตรของพ่อแม่เพราะงั้นในคำเนี้มันไปคลุมอย่างอื่นไม่หมด ครงความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นสาหายเป็นอะไรอะไรไหวทั้งหมดด้วยคำว่าสาหายคำเดียวสหายก็คือรู้ใจกันนีก่ก็การใช้คำพูดเหมาะเจาะสอดคล้องกับฐานะของบุคคลนะฮะซึ่งก็เกิดประโยชน์เป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตคือพูดดีมันก็ต้องดูบุคคลดูบุคคลผู้ฟังเรื่องราวเหล่านี้จะด้วยนะฮประการต่อไปก็คือพูดเรื่องที่มีประโยชน์ จะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ฟังผู้ฟังเรื่องราวเหล่าใดได้ประโยชน์จากการฟังอะไรก็จะพูดเรื่องเหล่านั้นก้นี้ก็คือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเหแล้วก็สามารถรู้สามารถเห็นบางอย่างธรรมะเยอะไปพระพุทธเจ้าจักรู้เป็นธรรมะทั้งป่านะฮะแต่ก็เทศแบบธรรมะกำมือเดียวอย่างที่แสดงไว้ในรเรื่องกรรมนิตรวาสิทธิ ที่ที่เขานามาเล่านะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นพระพุทธเจ้าแสดงในพระสูตรเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเป็นอันมากที่รู้ไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพระเจ้าก็ไม่แสดงแสดงเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมีส่วนกระทบกระเทือนแม้แต่การเผยแผ่าศาสนาของเรา เ, เรื่องบางเรื่องมันไม่เป็นประโยชน์ไม่สัมผัสชีวิตจริงไม่เข้าไปแก้ปัญหาชีวิตให้จริงๆ ชาวบ้านก็มองพม่าบางทีก็แขวนคอตั้งบ่าสุญญตากันทั้งหมดเลยพ่อแม่ก็ไม่สุญญตาไปด้วยเลยหมดไปเลยไอ้สุญญตานั้นมันต้องพัฒนาจิตไปอยู่เลยปฐมฌานไปแล้วนะเลยเลยฌานไปแล้วจึงพูดเรื่องสุญญตากันได้มันเป็นวิปัสนาปัญญาต้งใจยังไม่เดินไปถึงวิปัสนาปัญญาไปเจอสุญญาติไม่ได้สุญญตาก็มีปัญหานะอย่างอย่างว่าเราพูดกันในห้องอบรมฌานอย่างอย่างนี้ได้แล้วก็บอกกล่าวกันไว้ก่อนวันนี้เป็นเรื่องกรรมฐานนะแต่ไม่ใช่ไปสุญญตาข้างนอก สุน ญ, ญาตาหมดเลยอะไรก็สุญญาตาขยะก็ไม่ต้องกวาดประเดี๋ยวก็สูนไปเองอะไรเนี่ยก็ยุ่งกันหมดเลยก็ก็มันอยู่ในจุดของเกา่าความเข้าใจว่าคนเราจะได้ประโยชน์ไหมจากการพูดในเรื่องเหล่านั้นถ้าหาวก็ไม่ได้ประโยชน์มันก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรสูญเสียเวลาปเปล่าๆนี่ก็คือวาจาที่เป็นสุภาษิตซึ่งเป็นสู่ตายตัวนะแต่ฐานยิงอยู่ที่อยู่ที่เมตตาเราอาจจะพูดหยาบแต่ให้เมตตา อาจจะดุดาตาหนิีเตียนอะไรอะไรก็ได้แต่เราก็เม่ตาต่อเขาไม่ได้โกรธได้เคืองอะไรเขาท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่าหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานะฮะหลวงพ่อปัญญาในในหลวงพ่อปัญญาในท่านท่าน ด, าด่าเลยเจ็บเจ็บแต่ท่านด่ายิ้มยิ้มาะท่านก็นั่งยิ้มยิ้มไปท่านก็ไม่ได้ยึดถืออะไรแต่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราถือเป็นปลาประมุศคือไม่มีบาปไม่มีบาปท่านว่าอะไรก็ว่าไปเพราะว่าใจท่านไม่ได้มุ่งร้ายอะไร เขาพูดแล้วก็นั่งยิ้มยิ้เฉยๆไม่มีหน้าตาบึ้งตึงอะไรก็พูดไปงั้นเด็ดๆไปกเกลียวปลาประมุดเป็นคนไม่มีบาปหรือพ้นจากบาปแล้วแต่ใครไปยึดไปถือไปโกรธไปเคืองท่านนั้นก็สแสดงว่าเราไม่เข้าใจว่า น, นั่นคือเจตนาดีเป็นความมุ่งดีปรารถนาดีบางครั้งบางคราวเล่าเรื่องเจ้าชายหัสตินบุระอะไรอะไรก็ว่าไปก็เจตนาดีนะเกลยวมุ่งเจตนาดีนอกชาดกนิดๆหน่อยๆมาก็บอกว่าหลวงพ่อนิทานนี้มันนอกชาดกไปหน่อยนะ ท่านบอกว่ามันปัญญานันทาชาดกปัญญานันทะนิบาท่านเอยไปเจอกันนะไปเจอกันที่วัดสีบอกหลวงพ่อนิทานนี้มันนอกนอกนิบาทไปหน่อยท่านบอกเออมันอยู่ในปัญญานันทานิบาทนะก็เป็นเจตานาดีเป็นความมุ่งดีปรารถนาดีของท่านถ้าเราใช้วาจาเป็นสุภาษิตจะพูดจากันในแง่ที่เป็นสุภาษิตเราจะเห็นว่า อไอเรื่องปรุงปรังต่างๆในข่วคราวในหนังสือพิมพ์ท่านท่านต่างหลายเ็นว่าไม่มีลักษณะเป็นสุภาษิตไม่มีลักษณะเป็นสุภาษิตบางทีเละหมดตั้งคอล้ำเลยไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยพูดเอาเองเรื่อยเจยไปงั้นงหนังสือพิมพ์บางฉบับตั้งหลายหน้าเราเปิดไม่ถึงสิบห้นาทีหมดแล้วไม่รู้จะอ่านตรงไหนแต่บางคร <the> ั้งบางคราหนังสือที่มีสาระบางทีก็ไม่ไม่กี่หน้านื้ออ่านกันเป็นชั่วโมงกันนะว่าเนื้อหามันแยะก็น้าอ่านอ่านแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์ คนเรานั้นก็มุ่งประโยชน์พระพุทธเจ้าเองแสดงธรรมมุ่งที่ประโยชน์เพราะการพูดของคนทั้งหลายจะต้องเน้นไปที่ประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ผู้ฟังเป็นประการสำคัญจำเป็นจะต้องยกัยกยาก้ายเปลี่ยนแปลงไปตามมัเหมาะแก่คัวนะอันนี้ก็ เหมาะตามคนแก่ฐานะก็คือหลักอะไรหลักสัพพริสธรรมอีกอะ่ะสัพพริสธรรมต้งกระทิ้งไม่ได้นะสัพพุริสธรรมนั้นเป็นฐานจริงๆเลยในการปฏิบัติว่าเราจะต้องดูที่สัพพุริสธรรมต้องรู้การดูบุคคลรู้ประมาณรู้กลุ่มคนรู้บริษัทว่าจะพูดจาๆกันยังไงจึงจะเกิดความเข้าใจและได้ประโยชน์จากการพูดในท้องถิ่นเหล่านั้นในชุมชนเหล่านั้นนะอย่างสมมุติว่าเราจะเทศกับชาวบ้านแลพูดธรรมะกับชาวบ้านไปข้างนอกๆนีฮะ ก็ไม่ได้พูดอย่างนี้เราพูดอีกแบบทั้งเลยพูดละเรื่องกันเลยไ ป, ไปหายไปเลยคล้ายๆกับธรรมะเนี่ยจะมีอยู่จํานวนน้อยๆแต่เองค่อยๆซึมเข้าไปค่อยๆซึมเข้าไปถ้าจะไปอธิบายธรรมะมากๆนายโยมก็จําไม่ได้ค่อยๆซึมเข้าไปเล็กๆน้อยๆโดยบางทีโยมก็ไม่ได้รู้สึกตัวอะไรนะฮะว่าเราก็พูดธรรมะเข้าไปค่อยๆค่อยเสนอแนะไปทีล น, นิดเตียดนิดแต่ถ้ากลุ่มคนก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ยกัยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปได้ บางครั้งบางคราวเอาก็จริงๆมัน ก, ก็พูดที่คนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ได้แต่อีกคนกลุ่มหนึ่งก็รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องดูบริษัทดูการดูกลุ่มคนดูบุคคลแล้วก็พูดจาให้คล้อยตามบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ส่งจบลงด้วยเอตมังคลมุตตะมังแต่ละข้อนะฮะแต่ละข้อเนี่ยเป็นอุดมมงคลท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามีถึง10ข้อน่ากลัวเหลือเกินทําไมมันจะไปหวเลยที่จริงมันไม่ต้องยุ่งขนาดนั้นนะฮะ มันจับตรงไหนใหได้สักอย่างนีปัณติตานันจะเสวนาอย่างเดียวมันก็เดินหน้าได้แล้วนะจับสักข้อหนึ่งตรงไหนก็ได้แกจะกินรอบตัวแกเองมันมีลักษณะอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเหมือนกับแม่เหล็กแม่เหล็กมันจะดูดเหล็กด้วยกันเข้ามาเองกุศลธรรมทั้งหลายเราเริ่มจุดให้ถูกแล้วแกจะดูดกุศลธรรมเหล่าอื่นเข้ามาเองแต่มีการปรับและจะมีการเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเอง การเรียนข้อก็รู้สึกจะมากหน่อยนะฮะแต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติครั้งเดียวมันอาจจะกินธรรมะไปได้ครบสิบข้อในขณะเดียวก็ได้นั่นก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าทําได้กถ็ถือว่าเป็นการสร้างมงคลให้บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนที่พระเจ้าทรงจบด้วยคําว่าเ e, อตมังคลรมุตมังนี้เป็นอุดมมงคลอีกชุดหนึ่งมาวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณาธรรม จงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอ